บานเพราะว่ามันไม่มีแล้วไงคะแต่ปรากฏว่ามันก็โตโตโตมาใบมันก็แตกตอนแรกเนี่ยมันจะแบบแกร่งๆ่นีตอนนี้ใบก็จะใหญ่พอๆจะจะต้นที่เอาไปเหขี่ยงเขีอยมันก็แตกแตกนะมันมีอะไรที่มันไม่รู้อธิบายเป็นตามเหตุตามปัจจัยหรที่ะบไม่ได้ อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช่ก็ก็รับทราบตามที่ปรากฏไม่ต้องอธิบายเพราะสิ่งที่ปรากฏเป็นเครื่องอธิบายต่อเราบางทีเราอธิบายมากเกินไปจนยุ่งเหยิงและไปแทรกธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งนั้นก็มีแต่ละคนไม่สามารถรับรู้ธรรมชาติที่เราเห็นที่เราได้ยินเหมือนกันหมดไม่สามารถรับทราบได้เหมือนกันหมดมันเป็นเพียงแค่จิตของคนในเวลานั้น เป็นยงงไงแล้วความรับทราบก็เกิดขึ้นตามภาวะแห่งจิตเฉพาะบคุคคลแม้แต่เห็นสิ่งเดียวกัน<ม>ยังพูดไม่เหมือนกั น, น, นเกี่ยวกญญากาิม็เกี่ยวกัรปรุงแต่งความรู้สึกความที่จิตของเราคิดเกินกว่าความจริงที่มันปรากฏหรือเปล่าหรือเรารับทราบเฉพาะความจริงที่เป็นอยู่ตอนนั้นหรือเราเข้าไปถึงความจริงในสิ่งที่เราเห็นในเวลานั้น อ ย, อย่างเช่นต้นพระศรีมหาโพธิทำไมมีความสำคัญกับเราแต่ทำไมกับคนเราอื่นเขายังมองว่ายังพระอาจารย์ยังไปไหว้ต้นไม้อยู่เหรือขาว า, านี้เขายังมองภาพว่าอตาตมา ย, ยังไหว้ต้นไม้ก็จะไปต่างอะไรกับคนที่เขาไหว้ต้นไม้ไหว้ผีไหว้อะไรเขาก็มีคนพูดดูนี่เงี้ยนั่นเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้มองว่านี่คือพระศรีมหาโพธิ คืออะไรพระศีมหาโพธิ์คืออะไรเขาไม่ไม่รู้นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เขามองเขาก็มองเพียงแค่ต้นพระศีมหาโพธิเหมือนกับต้นไม้อื่นๆแต่ต้นพระศีมหาโพธิในความรู้สึกของเราไม่เหมือนต้นไม้อื่นๆเพราะมันมีความหมายอะไรอยู่ในนั้นอยู่เพราะเรามีความรู้ความเข้าใจในความเป็นต้นพระศีมหาโพธินั้นเรารู้อยู่เราถึงจะกล่าวได้ใช่ตรงนี้แหละก็คือ แม้เห็นสิ่งเดียวกันบางทีความรู้สึกต่อจิตมันไม่เหมือนกันในสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นเราจะมาบังคับหรือบอกให้คนได้รู้ได้เห็นและรู้สึกแบบเราไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะคนที่รู้ที่เห็นเท่านั้นผ<ห>พ้่อเจ้าจึงตัดไว้ในหลักธรรมของพระองค์ว่าสันติโกใช่มละเห็นเองรู้เองเห็นเองปัจจตงังเวทิตาโบรู้ได้เฉพาะตน อันนี้คือความจริงเป็นสัจจะแล้วก็จะเป็นสัตตะสัจจะอยู่ตลอดไปทุกมีเท่าไหร่อยู่ในใจเราเรารู้ใช่ไหมละ่ะเราเห็นใช่ไมเราเราทุกเพราะอะไรแล้วทุกมันจะหมดหรือน้อยไปเท่าไหร่เราก็รู้กพราเห็นคนอื่นก็ไม่ได้เห็นกับเราถ้าว่าเราบอกว่าเราปวดหัวคนอยู่รอบข้างเราพูดให้เขาฟังปวดหัวเนี่ยเขารับรู้ถึงอาการปวดหัวของเราไหมหรือเรารับรู้อยู่คนเดียวแล้วเราแบ่งอาการปวดให้คนอื่นเขาได้ไหมละ่ะเราแบ่งให้ไม่ได้ เราไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลญาติมายืนเยี่ยมเราเต้มห้องเนี่ยคนที่มายืนเยี่ยมนะแบ่งโรคแบ่งความเจ็บปวดที่เราเป็นอยู่จากเราไปได้ไห ม, ไมไแบ่งไปไม่ได้มันเป็นหน้าที่เฉพาะเราที่ต้องรับผิดชอบตัวเราจะเป็นอะไรก็ตามที่เกิดกับเราเพราะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้มีสติมีปัญญาฝึกฝนไว้เพื่อรับสิ่งเหล่านี้คนรอบข้างนะช่วยเหลื อ, อรเราไม่ได้หรอก แล้วก็เยียวยาและรักษาไปตามกระบวนการแห่งการรักษาแต่สติปัญญาของเราที่จะต้องรู้เท่าทันในกายในจิตนั้นเราจะต้องตั้งไว้เสมออบรมใจอยู่เสมอการที่เราตั้งจิตอบรมจิตอบรมใจตัวเองให้รู้ในเรื่องของกายของจิตอยู่เสมอเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเผชิญกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ในตัวเราได้โดยที่เราไม่ทุกข์กับมันตรงนี้คือเรื่องสําคัญอันหนึ่ง เร่เป็นการเป็นการสร้างปัญญาบรารมีขึ้นมาเพื่อลองรับจิตให้จิตของเราพร้อมหรือเพียงพอต่อการที่จะรู้ธรรมที่พวงทรงตรัสไว้ในหลักของสัจจะสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนทั้งหมดน่ะยังไม่ใช่สัจจะแต่พระอมพยายามอธิบายสัจจะด้วยคำพูดให้พวกเราได้ยินว่าลักษณะสัจจะเป็นอย่างไรเพราะนั้น คำที่พวงทรงนํามาบอกสอนยังไม่ใช่สัจจะเพราะสัจจะเป็นสิ่งที่เรานําคําสอนนั้นไปปฏิบัติแล้วไปเห็นเองในสิ่งที่พวงทรงพูดไว้อย่างเช่นพงค์มาพูดคําว่าพระนิพพานคําพูดนี้ยังไม่ใช่สัจจะเพราะสัจจะคือนิพพานอันที่เป็นสัจจะแท้ๆในหลักธรรมชาตินั่นเป็นอสังคตรธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งแต่พอผู้เยา์พูดถึงนิพพานปับ๊บเรานึกออกไหมนิพพานเป็นยังไง แต่คาดคะเนอยู่คาดคะเนว่ายังไงเป็นธรรมชาติสงบเป็นธรรมชาติอั น, นไม่มีทุกข์<ส>เป็นธรรมชาตินิ่งเหรอนิพพานนิ่งเหรอเคยเข้าเหรอถึงรู้ว่านิพพานนิ่งเขาบอกนิพพานนิ่งเนาะทำไมถึงรู้ว่านิ่ง <c oughs> ก็พนนระ <c oughs> เจ้าบอกว่าไม่มีจุติไม่มีอุปาติไม่มีการไปไม่มีการมาแาศัยแต่ว่านิ่งดิไม่มีไปไม่มีมาหนาไม่ได้นิ่งแบบนี้ไม่ไหวจริไม่ใช่อยังไง สงบนิ่งเหมือนใจเรานิ่งอย่างนี้แหละ <c oughs> ก็อันนี้ยังคาดคะเนเนาะพราะฉะนั้นสิ่งที่พงษ์ทรงพูดเนี่ยคือพงษ์พูดถึงธรรมชาตินั้นให้เราได้เห็นว่ามีธรรมชาติอันเป็นที่ดับทุกข์อยู่และมีธรรมชาติอันเป็นที่ก่อทุกข์อยู่ธรรมชาติอันเป็นที่ก่อทุกข์คืออะไรก็คือธรรมชาติเห็นความเป็นมนุษย์เทวดาพรมสัตว์เดื้อยชันเปรตพิภีสัตว์ ส, สุรกระไกนั้นยังเป็นที่ก่อทุกข์อยู่ แต่ธรรมชาติดันพิธีศัพท์ูกคือนนิพพานไม่มีไม่มีทุกในนั้นเพราะฉะนั้นตัวเราสามารถเข้าถึงนิพพานได้ด้วยกรร ม, มวิธีที่ถูกต้องเราเห็นต้นอ้อยเนี่ยเราจะไปเอาต้นอ้อ ย, ยบะบีบเอาน้ำให้มาเป็นน้ำตาลได้ไหมท่านบีบด้มือไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นกรร ม, มวิธีใช่ไหมเราเห็นต้นอ้อยเนี่ย แล้วเราใช้กรรมวิธีเพื่อที่จะให้น้ําอ้อยมาเป็นน้ําตาลน้าตาลทรายให้เราไปใช้เนี่ยมันก็คือกรรมวิธีการที่จะเข้าถึงนิพนิพานได้มันก็เป็นมีกรรมวิธีกรรมวิธีที่วงทรงสอนไว้ที่จะเป็นกรรมวิธีทําให้จิตของเราเนี่ยเข้าถึงนิพพานได้กรรมวิธีนั้นเรียก ว, ว่ามักแปดตัวมักแปนี่แหละคือสาระสําคัญทางปัญญาบา ร, รมีที่เราจะต้องสร้างสมขึ้น ให้เกิดขึ้นภายในจิตเป็นคุณสมบัติาอา ม, ม่าไม่ค่อยสบายมั้งเป็นไอใช่ไหมหอ๋อคอแห้งธาตุขันยังดีอยู่ไหมดีดีอยู่นะยังยังพออยู่ได้นะพออยู่ดะอ๋ออยู่กับลูกหลานไปนานๆเนอ้พ อ, พอนนนบบนโอโหขนาดนั้นเลยเหรออาหม่า ถ้าพร้อมกันได้ก็ดี อ, อ้าวจริงๆถ้าเป็นไปได้แต่มันจะเป็นไปได้แค่ไหนอยู่ก็พี่จารณาดูตามความเป็นจริงเนะาะก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ฮะยพการ้บรพรอมกันเยอะอยู่ีัพร้อมกันเหรอขณะ พระัญญาโกทัญญาพระวปะพัทยามหานามะพระอาสชิอันนั้นไม่พร้อมใช่ไหมหลังอย่างนั้นมีตัวอย่างที่บรรลุพร้อมกันมีใครบ้างที่ได้เสด็าถือฟังสั้งเสร็จปุ๊บบรรลุผู้ ท, ที่นั่งฟังอยู่ในนั้นบรรลุกันหมดที่ปรากฏตามตํารายอย่างนั้นใช่ไหมก็จะมีชุดอันนั้นที่เป็นชีที่เมืองไวสาลีไวสาลี ท้อ ง, องเรื่องท้องเรื่องเป็นยังไงที่ยวมีมีว่าขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณี น, นครับแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่อนุญาต จ, <อ>จนมีการขอร้องจนถึงที่สุดพ ร, พระพระพพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วก็ภิกษุณีในกลุ่มนั้นนะ่ะบรรลุธรรมทังหมดห้าร้อยนู่นเดียวกับผงานมาทาป็นารปฏิครับอืบมอืมอืมอืม แล้ยังเป็นจุดเดียวของอินเดียที่เสาเสาวัวสิงห์ที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ตรงนั้นอ๋อที่อุปสมบทนางภิกษุณีครับ ผ, า น, าผานางประชาราชบดีผนังประชาราชบดีอุปสมบทโดยการรับพระลุทธธรรมแต่พิกษุณีนางสาเกียณีนอกนี้เนี่ยบรรลุ ด, ด้วยยติจตุทกรรมบวช ด, ด้วยยติจตุทกรรมอุปสมบทนะ เขาเรียกตรงนั <kaik ist i vậy> <h oney> ้นที่อะไรนะที่อุปสมบทภิกษุณีเสาโศกยังสมบูรณ์จริงๆตรงนั้นะแล้วก็สถานที่ก็ยังยังยังยังเด่งดีอยู่เขาปลูกต้นมะขามป้อมไว้รอบๆแม่อตมาเห็นมะขามป้อมไม่ได้ไปคว้าเลยเนี่ยดึงกิ่งมะขามป้อมโนบลงมากําลังจะเด็ดลูกมันพอดีเจ้าหน้าที่เขาออกมาพอดีถือกระบองมาด้วย แล้วก็อบองชีแ้แล้วแล้วผู้วาสายอินเดียคงจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามอะไรอย่างนี้นะแม่ดีบปล่อยเลยแม่อินเดียก็ต้นมะขามป้อมตรงนั้นมันดกมีลูกลูกดกลูกใหญ่ด้วยมะขามป้อมอินเดียนี่รุ่นนี้แม่เห็นแล้วอดไม่ได้กิเลสเกิดทันทีเลย ถือว่าเป็นของขโมยของมาในประเทศเขาเลยท้านนะขโมยของในข้ามประเทศเลยนะ mm hmm. ลูกม า, มาขามป้อมชิ้นหนึ่งก็จัดเป็นทรัพย์อันหนึ่ง น, ะ mm hmm. นี่แหละการขาดการสังวรขาดการสำรวม <c oughs> แม่อตาตมาก็เป็นอย่างนี้แหละนิสัยอย่างนี้แหละ <c oughs> เลยให้เฝ้าอยู่ที่นาโสคัง แต่ก็เป็นหลักการปฏิบัติอยู่ที่นู่นดีโยมแม่ก็การภาวนาปฏิบัติภาวนาดีคือสบายใจวางใจได้แล้วก็เป็นหลักให้กับญาติญาติทางนูน้นแล้วก็ญาติโยมทางนาโศครังก็รายงานผลการปฏิบัติมาก็ค่อนข้างจะดีปีนี้ทำไมดีสงสัยตอนรับภาษีมหาโพธิ์ที่จะไปที่นูน่นและเราทำ อันนี้ได้ไหมต้นนี้เป็นต้นที่แตกออกมาจากจากจากเนี่ยแต่แต่เราขอเป็นใบาจากเป็นทางการไม่ได้เนาะไ ด, ได้อยู่เหรอมันไม่ได้อยู่ในห้าสิบต้นนะนนถ่ายรูปไปให้เนา ะ, ะแต่ัขาที่แล้วท่านก็เห็นนะคะว่ามีต้นแกอยู่ด้วย ท, ท่านเห็นอยู่ท่านเจ้าคุณท่านเห็นอยู่นะ่ะอ๋องั้นก็ได้สิงั้น ดเดี๋ยวขอท่านรับรองเพราะว่าได้เดี๋ยวขอท่านรับรองแล้วออกมาได้ได้เป็นมีแขมีแถมนไม่ได้ใจบอกว่ามันหดแล้วเนี่ยจะต้องจารั้จว่าอยากจะได้มันมามันมายังไงก็ต้องมา เรื่องบุญมันมีความเป็นแตกต่างต่า ง, า ง, างนานาประการมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะคาว่าบุญบรรดาณ น, นี้มันมันเป็นได้หมดคาว่าบุญบรรดาลบาปก็บรรดาได้เหมือนกันบุญก็บรรดาได้เหมือนกันในทางพุทธศาสนาเราจึงพูดถึงว่าความสำเร็จใดๆก็ตามที่จะเข้าถึงความสำเร็จได้ก็เกิดจากกำลังของบุญอันเป็นเหตุที่เราได้กระทามาเห็นไหม พอบุญนี้เป็นความพิเศษเป็นความพิสาดารในชั้นของสังกตธรรมธรรมที่พูงแต่งเนี่ยบุญเป็นตัวพิเศษอันหนึง่งบาปก็เป็นตัวพิเศษเป็นอย่างนั้นแหละเป็นพิเศษที่จะสร้างทุกข์ให้กับเรา <c oughs> แต่แต่แตแตว่าสร้างทุกข์ก็ไม่ได้คือจริงๆตัวเราก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติแต่บาปเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มทุกข์คืออาศัยทุกข์ที่มีอยู่เพิ่มทุกข์ให้กับเราบาปอันนั้นอะ่ะแต่บุญจะเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ ในอันที่บาปสร้างขึ้นบุญก็จะตามแก้ตามแก้ตามแก้ให้กับเราพวงทรงทราบมูลเหตุนี้พวงจึงตรัสถึงบุญถึงแม้พระเจ้าไม่มาสอนเรื่องบุญเรื่องของบุญก็เป็นเรื่องที่ถูกกระทํากันอยู่แล้วก่อนหน้าพุทธองค์แต่เขาไปเข้าใจความหมายของข้ามาบุญผิดในครั้งพุทธการนั้นะเช่นไปเข้าใจคําว่าบุญที่มีความหมายว่าการชําระบาปเนี่ยเพราะการที่พวงให้สร้างบุญก็เพื่อไปชําระบาปนั่นแหละ พูดยังไงว่าล้างบาปนั่นเนี่ยแต่คําว่าล้างบาปในความหมายของพราหมณ์คือการล้างบาปในแม่น้ำคงคาบุญของพราหมณ์คือการลงล้างบาปในแม่น้ํำคงคาคือไปล้างบาปที่นั่นทุกคนที่ลงล้างบาปในแม่น้ํำคงคาจะไม่มีมลทินพรนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า <S <S <S 2> <S 2> การที่เอาน้ํามาล้างบาปแล้วเข้าใจว่าตนเองจะไม่มีบาปผลแห่งบาปจะหมดไปความเป็นมลทินที่ติดอยู่ในตัว ก็จะถูกชำระและจะเป็นผู้สะอาดแล้วก็เป็นที่ปวดปานของพ่อผมพ่อผู้เป็นเจ้าอะไรประเภทนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าหากเป็นเช่นนั้นปลาและเต่าก็คงจะไม่มีบาปกันเลยสิถราบอกว่าปลาและเต่าไม่มีบาปแล้วทำไมปลาและเต่าถึงได้ไปอยู่ในน้ำถึงถึงได้ไปมีชีวิตหรือจะไปเกิดเป็นปลาและเต่า ฉะนั้นคนที่ใช้น้ําล้างบาปหรือมีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งว่าน้ําเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์หรือน้ําเป็นอะไรบางอย่างที่สามารถล้างเคราะล้างกรรมล้างวิบากหรือล้างสิ่งที่เป็นอ ป, ปมงคลในชีวิตของเราได้ก็ไม่แตกต่างจากปลาและเต่าและด้วยวิชาทิ่ติดนี้จะทําให้ไปเกิดเป็นปลาและเต่าแน่จึงมามองในสังคมที่เป็นอยู่ในชาวพุทธเราตอนนี้ยังยึดถือน้ํามนตว่าเป็นเครื่องล้าง บาปให้กับตัวเองได้ล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างเคราะห์ล้างกรรมล้างสิ่งชั่วร้ายกับตัวเราเราเชื่ออย่างนั้นแม้อตมาก็มีความเชื่ออย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กน้ำมนต์นีน่ชอบมากไปที่ไหนก็ตามถ้ามีน้ำมนต์ต้องขอมาต้องเอามาทั้งกินทั้งอาบทั้งใส่หัวตัวเองนั้นเป็นวิชา ท, ที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนต่อเมื่ออตมามาดิเรียนรู้คําสอนพุทธเจ้าพระองค์แสดงไว้ชัดเจนมากในสุนทรี ก, กสูตรที่พามไป ล้างบาตรในแม่น้ำคงคาแล้วเนี่ยนะบท ห, หมดบาปเนี่ยเราทิ้งอะไรผ้าทิ้งอะไรไปตามร อ, อยไปตามแม่น้ำเราก็หมดบาปแล้วใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วก็มาเอาข้าวมัทุพ ป, ปาฏิญาตโปรยลงไปในกองไฟเพื่อให้ข้าวมัทุพ ป, ปาฏิญาตอันมีเนยคนเนยใสยน้ํามันน้ําผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยระเหยไปถึงพระพูเป็นเจ้าเป็นการเส้นสวงบูชาพระพูเป็นเจ้าให้พระ อ, องค์ทรงโปรดโปรดปรานในตัวของเราพราม เ, เราพรมเหล่านั้น พราหมณ์จะบูชาผมพอที่นี้ข้าวปลายาติเหลือด้วยความที่พราหมณ์เขาถือว่าข้าวปลายาจเนี่ยถ้ามันเหลือแล้วเราจะต้องให้กับบุคคลผู้เป็นพราหมณ์เท่านั้นที่บริโภคได้ถ้าบุคคลผู้ไม่ใช่พราหมณ์จะไม่สามารถให้ได้จึงมองหาที่บริเวณนั้นมีใครที่เป็นพราหมณ์พอที่จะรับของปลายาจที่เหลือเนี่ยไปเป็นเครื่องบริโภคได้บ้างก็เห็นพระเจ้านั่งเอาผ้าคลุมศรีรษะอยู่ผ้าผ้าผ้าจีวรนี่แหละคลุมหัวอยู่ใต้ต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ําพงคา เลยสังเกตดูว่าท่านผู้นี้คงจะเป็นพาราหมณ์กระังอย่างนั้นก็เลยเข้าไปหาพอเข้าไปหาก็เลยพูดในเขาเรียก ว, ว่าพราหมณ์เขาจะมีสั ญ, ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องรับรู้ถึงพราหมณ์ด้วยกันคือเขาจะพูดถึงพเวทการพูดถึงภเวทเนี่ยมันจะพูดด้วยคําฉันคำฉันคำฉันนี่เป็นลักษณะของการคล้ายๆบทกนะนะการกรอนอะไรประเภทเนี่ย บุตรทางสรนังคัตฉามินี่คือคำฉันนะเป็นคำฉันเนี่ยบุตรทางสนังบุตรทางบุตรทางสระนังคัตฉามิ8นะ ป, ปดแปดอักขระแปดแปดตัวนังคัตฉา ม, มิแปดบทนะแปดแปดตัวแปดคำ สี่บทแปดคำยีิบสี่อักษรลักษณะของฉันจะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยพูดกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยตอบด้วยคําฉันพอพระเจ้าตอบด้วยคําฉันพราหมณ์นี้สุนทริกับพราหมณ์จึงปกงตรงใจว่าอ๋อท่านผู้นี้เป็นพราม์เหมาะที่จะได้รับเข้าปายาตจากเราก็เลยแบ่งเข้าปายาตให้แต่นี้ก็ถามพระเจ้าว่าพ่อองค์เนี่ยล้างบาปหรือ ย, ยังคือลงน้ํำพงคาหรือ ย, ยังพระเจ้าบอก เราล้างแล้วเอาล้างแล้วทำไมตัวไม่เปียกก็ตัวทำไมยังแห้งๆอยู่ไม่เห็นเปียกเลยเราล้างบาปในท่าน้ำของเราเป็นท่าน้ำที่ไม่ต้องตัวเปียกในน้ำที่ไม่ต้องตัวเปียกท่านล้างยังไงตัวไม่เปียกล้างบาปยังไงตัวถึงจะไม่เปียกพู้เชา่าบอกว่าเราล้างมิชฉาทิฐิด้วยสัมมาทิฐิล้างความเห็นผิด ด้วยการทําความเห็นที่ถูกล้างมิจฉาสังกัปปะด้วยสัมมาสังกัปปะคือล้างความคิดที่ผิดในความคิดในความดำํำริคิดพลานคิดโกรธเคืองใครคิดพยาบาทใครคิดประทุสล้ายใครคิดเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้พระเจ้าล้างออกหมดด้วยเมตตากรุณาเพื่อล้างสัมมาวาจาล้างมิจฉาวาจาด้วยสัมมาวาจาล้าง มิจฉากรมมันตัด้วยสัมมากรมมันตัล้างมิจฉาอาชีวะด้วยสัมมาอาชีวะล้างมิจฉาวายมะด้วยสัมมาวายมะล้างมิจฉาสติคือการละลึกผิดด้วยสัมมาสติล้างมิจฉาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิเราจะสังเกตดูดีๆให้ดีว่าสิ่งที่พระองค์ทรงล้างออกมาทั้งหมดเนี่ยตารที่พระองค์ทรงล้างด้วยวิธีการอย่างนี้เป็นการล้างเรืองชำระภายในตัวเราเองไม่ใช่ล้างล้างภายนอกไม่ใช่ใช้น้ําล้าง ยอดนี้แหละคือบุญคือการล้างบาคือการชําระล้างในธรรมวินัยของเราตถาคตนี่คือจุดยืนของพุทธศาสนาที่แสดงเรื่องของบุญทัศนของบุญต่อเหล่าพราหม์ทั้งหลายว่าพราหมงเขายึดถือน้ําแต่พระเจ้าบอกว่าน้ําไม่สามารถล้างหรือทําให้ใครบริสุทธิ์ได้แต่ตัวเราต้องชําระล้างด้วยหลักธรรมให้มันถูกต้องคือล้างความเห็นผิดออกไปและสร้างความเห็นที่ถูกมันจะจนถึงสมาธิ นั้นสมาธิในทางพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องสมาสมาธิสมาสมาธิจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับมิจฉาแสดงว่ามันมีมิจฉากับสัมมาแต่ทีนี้การปฏิบัติสมาธิเราจะเข้าอยู่ในข้างของมิจฉาหรือสัมมาเนี่ยเราสามารถเอาหลักของสมาธิถีเนี่ยหรือว่าหลักหลักของมรรคแไปเป็นเครื่องบัดว่าสมาธิที่เราเป็นอยู่นั้นเป็นมิจฉาหรือสัมมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมาธิที่เราเป็นอยู่นั้นประกอบด้วยเป็นมิจฉาสมาธิหรือสมาสมาธิ พระเจ้าบอกว่าสมาธิที่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นจึงจะเป็นสัมมาสมาธิแต่สมาธิใดที่ไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นจะไม่ใช่สัมมาสมาธิจะเป็นมิจฉาทีนี้สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องไปดูว่าสมาธิฏิคืออะไรเราได้เจริญสมาธิฏฐิขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิฏิสมาธิที่เกิดขึ้นที่เราทําได้จะเป็นความสงบยังไงก็ตามก็จะเป็นความสงบแบบมิจฉาไม่ใช่สัมมา ก็ต้องไปดูว่าสัมมาสม า, สมาี่คืออะไรสัมมาสมาธินั้นก็กําหนดไว้ว่าคือการรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้พูดในชั้นของระดับของการปฏิบัตินะแต่ถ้าพูดในชั้นระดับของแรกๆเบื้องต้นเลยก็คือรู้บุญว่าบุญเป็นยังไง ร, รู้บาปว่าบาปเป็นยังไงแยกให้ออกไม่ใช่เอาบุญไปปนบาปเอาบาปมาปนกับบุญเข้าใจกันมั่วไปหมดอย่างเนี้ย ถ้าแยกไม่ออกอย่างนี้เป็นมิจฉาแน่นอนเพราะบางอย่างเรายึดถือว่าเป็นบุญแต่สิ่งที่ทํานั้นเป็นบาปก็มีอย่างเงี้ยบอกยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยตัวอย่างเช่นการนําเงินไปถาไวายกับพระภิกษุโดยตรงแล้วให้ภิกษุรับนั่นคือบาปมันไม่ใช่บุญหากเราไม่สามารถแยกความเป็นบุญเป็นบาปอย่างนี้ออก อย่างชัดเจนการกระทํำของเราที่กระทําลงไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อมิจฉาทิฏฐิคิดก็ผิดการกระทํำก็ผิดการใช้ชีวิตก็ผิดนะความพยายามที่ทําอยู่ก็ผิดจนไปถึงสมาธิที่ผิดพระธเจ้ายังบอกว่าเมื่อแยกบุญรู้บุญโดยความเป็นบุญรู้บาปโดยความเป็นบาปแล้วนกะ็บาปผลแห่งบาปมีจริงผลแห่งบุญมีจริงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงบางทีเราก็บอกอก็ทําบุญมาเยอะนะไม่เห็นบุญมาช่วยเราอะไรเราได้เลย ก็ทำมา ม, มากแต่ทำไมมีแต่เรื่องร้ายๆแทะเข้ามาในชีวิตอันนี้ไม่ได้เชื่อบุญเป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าเชื่อแล้วนี่ทำบุญได้บุญแน่นอนใช่ไหมจะไม่มาตั้งความสงสัยในภายหลังก็ทำบุญไปเยอะนะแล้วว่าไหลมันจะได้ที่หนึ่งเหมือนเขาอ่ะนะจะว่าอย่างนั้นนะมใช่ไหมน้องทบุญทำทานมาทาบุญผลบุญคนตามน้อช่วยอะไรน้องไหมน่ยบเอ้าแม่ สบายทุกวันนี้ก็ผลบุญผลญทานนี่มันเป็นวิกฤติฮะแสดงว่าม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาคือความเชื่อมั่นนะหรือเชื่อแต่ไม่มั่นเหรอเชื่อเฉยๆอย่างเงี้ยไม่มั่นคงไม่มั่นเลยว่าทําบุญเนี่ยบุญได้ได้บุญแน่นอนเราสบายใจแล้วอบอุ่นใจว่าเราได้ทําแล้วบุญเป็นของเราแน่จะจะมาถึงเมื่อไหร่จะอํานวยผลให้เมื่อไหร่เป็นเรื่องของการเวลาแต่บุญเราทําเนี่ยอุ่นใจได้แล้วว่าเราได้ทําแล้วบุญหรือเราไปมั่นใจว่า คนนั้นไม่เห็นทำบุญอะไรทำไมมันจเจริญเอาจเจริญเอาหรือไปเชื่อมั่นในบาปหรือว่าบาปเนี่ยทำบาปแล้วมันดีไปอุ่นใจกับบาปแล้วว่าทำบาปแล้วมันทำให้เราจเจริญมันอุ่นใจได้ไ้ยทำบาปฮะ <laughs> มันน่าจะมาอุ่นใจกับบุญมากกว่าใช่ไหม <laughs> ไปไปอุ่นใจกับบาปมันก็ไม่น่าจะไปอุ่นใจปนนั้นนะ <laughs> แสดงว่าสมาธิฏฐิในข้อนี้อาตมาไล่เช็กหลายคนนะ ผู้อาชญายอมทําบุญมาเยอะแล้วทำไมยมลําบากยังลําบากอยู่เอาอีกแล้ววิชาทิฏฐิล้วนลวเลยจะเป็นอย่างนี้โยมลําบากเพราะอะไรยมก็พิจารณาสิเนี่ยโยมติดหนี้เขาอยู่นี่เอาถ้าโยมไม่ไปยืมเงินเขาแล้วโยมจะเป็นหนี้เขาไหมก็ไม่เป็นสิแล้วทําไมไปยืมก็โยมจําเป็นต้องใช้เงินโยมมีความจําเป็นใช่ไหมความจําเป็นนั้นมากเกินกว่ากับโยมที่หามาได้ไหมมันก็ความจําเป็นมันมากกว่าไงหามาได้มันน้อยกว่า เลือดยมเลยเป็นหนี้ยมเป็นหนี้เพราะโยมไปยืมเ慢慢มงมินแล้วหาเงินมาใช้หนี้เขาไม่พอไม่ใช่ว่าทําบุญแล้วยมมาลําบากเพราะเป็นหนี้อย่างนี้ไม่ใช่มันคนละเรื่องกันแยกให้ออกไม่เคยมีใครแยกให้แบบนี้ครับอาจาร LIKE ย์เอาก็ว no ่าไปว่ามีใครแยกเอ๊ะมีคนแยกขนาดนั้เลยเหรอก็เลยแยกไม่ไดครับอาจารย์แล้วผมว่าทุกคนมันจะต้องผ่านภาวะแบบนี้กันมาเกือบ บางคนก็มาถามพระอาจารย์เขาทำบุญอะไรมาทำไมเขาถกอรางวัลที่หนึ่งเล่าเกินสามสิบล้านอย่างเงี้ยเขาทำบุญด้วยอะไรมาเห็นไหมโยมมาถามเรื่ว่าโยมมาถามมาตามาใช่ไหมว่าทำบุญด้วยอะไรมาทำไมไม่โยมโยมไม่มาถามามาตรมาว่าเขาทำบาปอะไรมานั่นแสดงว่าสิ่งที่เขาได้มาจากบุญและโยมเคยทำบุญมาก่อนหรือเปล่าเนี <laughs> ้ย สแสดงว่าสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่อํานวยผลอนล้วนแล้วมาจากบุญไม่ได้มาจากบาปบาปนั้นนามาแต่ความทุกข์มาแต่ความหดือดร้อนมันเริ่มสร้างมันเริ่มเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มทำแล้วเช่นจะไปจะไปขโมยของคนเน่ยเริ่มคิดจะไม่ล่ะวางแผนทำไมต้องวางแผนก็กลัวคนจะเห็นอาการกลัวในใจนะ่ะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะแล้วไปขโมยกลางวันแสกๆนี้ได้ไหมต้องหาเวลากลางคืนคนอื่นเข้าหลับนอนสบายตัวเองต้อง ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะต้องคอยจังหวะที่คนเค็มเครือคนที่เงียบเหมือนอ่ะเหลืออ๋อเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได oh, ้สงบสุขหรอกนะก็เนี่ยก็คือเทียบเคียงให้ทราบว่าการทําบาปแม้จะพยายามแค่ไหนก็เป็นบาปในสิ่งที่ทําแม้จะได้สิ่งนั้นมาสําเร็จตรงตามพรประทานก็ได้มาด้วยผลแห่งบาป แต่ในเมื่อเขาเากล้าคิดแล้วเขากล้าลงมือทแล้วก็ทําได้บ่อยๆนี่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบาปป่ครับบางคนบางคนที่เป็นนเขาก็เาก็รู้อยู่ว่าเป็นบาปแต่เขาไม่มีไม่มีทางออกบางทีมันถูกบีบคั้นให้ทำอย่างนั้นก็มีแต่มาคนเขาก็ไม่เชื่อเาไม่เชื่อเรื่องบาป คือคือยังมีเพื่อนโยมคนเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าจะมีเรียนว่าแต่เเกิดเพราะนั้น ไ, ไอ้ที่สิ่งเหล่านี้ยยกคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาแบบอยากจะทําอะไรเขาก็ทำแล้ว ม, มันก็มีแนวโน้มที่จะไปทางนิชฉามากกว่าสัมมาโยมดลุนีเชื่อตอนไหนว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดผลแห่งบุญมีจริงผลเห็นบาสมีจริงเนี่ยเชื่อตอนไหนหรืออาม่าแม่อบรมมาดีอหรหรือยังไงเขาบังคับไหม เชื่อมายังไงเชื่อเชื่อขึ้นมาจากศึกษาธรรมะหรือฟังคำสอนหรือจาการแนะนำจากศึกษาธรรมะคือหลวงพุทธโยมไม่รู้คือมันมีช่วงนึงนะค่ะตอนเด็กๆคือประมาณจบมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปปฏิบัติอ๋ออ๋ออ๋อมันก็สะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันมาจุดนึงเนี่ยตอนที่ตอนที่สามยิยมเสีย แต่แล้วก็ตามนิยมก็จะพูดอยู่เสมอว่าเนี่ยทุกคนทุกวันเนี้ยที่หลายคนก็ทําชั่วเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะกลับมาบอกคนได้ว่าไอ้โลกหน้ามัมมีมีจริงโลกอะไรเนี่ยมีจริงไม่ไม่มีใครกลับมาบอกได้เลยอะไรเงี้ย อ, อมันมันก็เลยทําให้คนบางคนก็หลงคิดว่ามันไม่มีจริงมันก็เลยทําชั่วก็มีทําอะไรเนี่ยค่ะคือบางคนก็หลงผิด แล้วก็คุยกันอย่างนงี้ยมาจนกระทั่งเขาเสียไปนะเราก็ก็เลยคิดว่าหลายหลอย่างพอเขาเสียไปเนี่ยเขาพยายามจะจะบอกเราคือ <c oughs> ห, หลายอย่างที่ ย, ย, ายามอม <c oughs> สัมผัสได้นะคะว่าคือเขามีอยู่จริง <c oughs> <c oughs> แต่เดิ ผูกพันกันคือรักคืออันนี้เขาไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าเขาจะเป็นคนชอบคือที่บ้านจะเลี้ยงเยอะมากลาบะดอนี้เป็นสิ ต, ตัวเหาก็จะชอบมากแต่แล้วปรากฏว่าพอเขาเสียไปยงก็เอาอาเซิเชียนมาเลี้ยงอาเซีเชียนเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เคยเลี้ยงแลมัตายไปนะคะและ้เนี้ยอันนี้ก็มาแลก็มีอยู่วันนึงเอ้ยยงก็ประหลาดใจคือคือก็ดูในวงจรติดอะคะก็เห็นลักษณะหมามันเหมือนเล่นกับคน่ มันมันกระโดดเล่นกับคนก็มงก็เลยดูก็ไปดูปรากฏว่ามันมีผีเสื้อบินโฉบเล่นกับหนาอาอคือคือลักษณะของเขา่ะมันมันคือมันบอกอย่างนั้นออืแต่ว่าคือจิตเราเนี่ยจะสัมผัสได้ว่าอันนี้ไม่ใช่คือผีเสื้อบินหนาล้อยตัวเนี่ยคือเราเขาเขาก็จะมองเราว่าก็เรามีความเชื่อในเรื่องพวกนี้ เาอาจจะโน้เขาก็จะพิจารนเราว่าก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็โน้มไปได้ทุกเรื่องนั่นแหละเขาก็จะว่าอย่างงั้นแล้วในส่วนของคนที่ไม่เชื่อกับส่วนที่เราเชื่อมันพระเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเฉพาะตนนะแต่ทีนี้ในความรู้สึกของคนที่เขาไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีหรือว่าความเกิดใหม่ของชีวิตมีเขาจึงทําอะไรตามใจชอบของเขาอยากจะทําอะไรที่เขาต้องการเขาก็ทํา อันนี้อันนี้ประเภทนี้พระพุทธเจ้าจัดไว้ในบุคคลผู้เป็นโมหชนนะ mm hmm. แม้โมหชนนี้คือไม่ยอมรับเหตุผล mm hmm. คือแม้จะไม่มีความเชื่อใดๆเลยว่าโลกหน้ามีจริงหรือมีการเกิดใหม่อีกภายหลังจากละชีวิตไปแล้ว mm hmm. แต่ควรจะไ mm hmm. ต่ตรองด้วยเหตุผลพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของการเกิดใหม่ว่าการเกิดใหม่มีจริงไม คือจริงจทิฏฐิลักษณะอย่างเงี้ยมันมีมาก่อนพระองค์อยู่แล้วตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วไปตันไปนี่มันมีก่อนพระองค์แล้วแต่พระองค์จะไม่เถียงกับใครนะแต่พระองค์จะให้เหตุผลให้เหตุผลทีนี้เมื่อพระองค์ทรงให้เหตุผลเพื่อเป็นมาตรฐานในการพิจารณาตามเหตุผลเ น, นี่ยคนก็โน้มใจเชื่อตามพุทธองค์ที่การที่เราเชื่ออย่างเงี้ยไม่ใช่เชื่อเฉพาะในความรู้สึกของเราแต่เราเชื่อด้วยว่าพระเจ้าก็ตัดในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วบุคคลที่ตรัสนั้นอะ คือบุคคลผู้เป็นสิ้นกิเลส น, นะใช่ไหมเป็นสมาสา ม, มุทธะเป็นสัพพัญญุตญาณที่รู้โลกนี้รู้โลกหน้ารู้จริงพระอ克拉สาวกของพระองค์ก็ไปเห็นบุคคลที่ตายแล้วจากโลกมนุษย์ไปเกิดสวรรค์บ้างนรกบ้างเปรตพิภีสัตว์อสุรกายบ้างภาษาวกก็เป็นสักขีพยานให้กับพระองค์แรกๆพระเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงในสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อมีภาษาวกไปเห็นคือพระโมคคัลลานะพระองค์จึงบอกว่าดีแล้วโมคคัลลานะเธอได้เป็นสักขีพยานให้กับเราแม้ในวันเราที่เราตัดสรู้เราก็เห็น เปรตตนนี้ร้องโวยควานคางหุยหวนอยู่เธอเห็นอย่างนี้เราก็จะเป็นพยานให้กับเธอเหมือนกันว่าเปตตัวนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เล่ากันมาหรือว่าตาฝาดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบุคคลผู้กล่าวสอนในเรื่องของผลแห่งกรรมผลแห่งบุญผลแห่งบาป ก, การบังเกิดอีกในภพใหม่คือบุคคลผู้เป็นภาษาสราแต่บุคคลที่บอกว่าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ได้ชื่อว่า เป็นบุคคลที่สิ้นกิเลสหรื อ, อยั ง, ยงคนที่บอกว่าโลกหน้าไม่มีไม่เชื่อหรอกว่ามีการเกิดใหม่ผีมีเทวดามีคนคนนั้นเป็นคนสิ้นกิเลสหรื อ, อยังคําคพูดของคนสิ้นกิเลสกับคนคําพูดของคนที่ไม่สิ้นกิเลสคําพูดไหนควรจะเชื่อมากกว่ากันนง่ยางยาแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่เขาวิาทยาศาสตร์พิสูจน์ออกมาเนี่ยที่เขาพิสูจน์ได้เพียงแค่วัตถุรูปสสารแต่เขาพิสูจน์ในเรื่องของ วิญญาณไม่ได้จิตวิญญาณเาพวิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีจริงแต่เขายังยังอะไรเขายังมีจิตผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าโอ้ไมค์กอดเวลาเวลาพิสูจน์อะไรได้แล้วสําเร็จแล้วเนี่ยก็ mm hmm. จะโอ้ไมค์กอดว่าพระเจ้าบรรดาล น, นั่นหมายถึงว่าเขารู้หรือว่ามีพระเจ้าอยู่จริง mm hmm. <laughs> เขาก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะแต่ทํำไมเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริง แล้วเขาไม่ต้องเวีนเป็นผู้ ต, ต้องอุทานถึงพระเจ้าไม่กอดอ่ะพระเจ้าของฉันพระเจ้าบันดาลฉันพระเจ้าช่วยเหลืออะไรพี่เนี่ยแสดงว่า ม, มีความมีอยู่จริงนะในละะนักษณะทัศนคติของเหลาวิยาศาสตร์นะเขายังมีความเชื่อแต่เขายังพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นเองแต่เขามีความเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่เขาว่าพระเจ้ามีอยู่ไหมเพราะว่าการที่เขาได้ละชีวิตไปแล้วด้วยการที่เขาศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเขาจะได้ไปอยู่รวมกับพระเจ้าเพราะเขาศรัทธาในพระองค์ นั่นหมายถึงว่าความมีชีวิตหลังจากการตายย่อมมีชีวิตอยู่แต่นั้นคือทัศนคติของเครื่องศาสนาที่เขาเข้าใจว่าเขาจะได้ไปอยู่รวมกับพระเจ้าถามว่าความเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่จริงไหมมีพระเจ้าก็เห็นว่ามีไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่นั้นยังไม่ใช่ที่อันถาวรยังไม่ใช่ที่ดับทุกข์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นลักษณะของพุทธศาสนาจึงเป็นลักษณะพิเศษกว่า เรามีพระพูทไเจ้าผู้เป็นสิ้นอสัมภิเษตและเบสสัพพันยูตัสรุปชอบได้โดยพงศและก็ตั้งศาสนาขึ้นมาแล้วสอนในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นคําพูดที่น่าเชื่อถือน่ารับฟังน่าโน้มใจไปประพฤติปฏิบัติตามดีกว่าคนที่ยังไม่ปฏิบัติอะไรเลยแล้วบอกว่าไม่เชื่อหรอกผีมีเทวดามีโลกหน้ามีการเกิดใหม่มีมันมันมันคนละเรื่องกันเลย อาจจะให้ไปเชื่อคนนั้น <c oughs> เป็นไม่ไ ด, ได้แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ว่าเพื่อนใจเกิดอีพีเห็นื่อนยอมแต่เขาก็บอกว่าแต่เขาก็แต่ทุกมันนี้เขาก็คิดว่าเข า, ม า, ม า, มามไม่ได้ทํำชั่ควคือทำทำดีแต่เขาไม่เชื่อว่าตายนในในตรงนี้แหละที่เขามีการสอนเขาการสอนกันในสังคมพระเองก็นําไปสอนบอกว่าแค่คิดดีพูดดีทดําดีก็ดีแล้ว ใช่ไมไม่เบียดเบียนใครแค่คิดดีพูดดีทำดีก็ดีแล้วนี่นคือดีที่สุดแล้วไม่ไม่ต้องไปทำดีอะไรไม่มากกว่า น, นี้แล้วนี่คือการสอนและเป็นการคําสอนที่ถูกกล่าวสอนกันมากในสังคมเราอาตมาว่าการสอนอยู่เพียงเท่านี้นี่เป็นคมคาสอนที่ไม่ใช่ทัศนจิติทางพุทธศาสนาะเป็นความเชื่อของรัฐที่อื่นไม่ใช่คาสอนของพระเจ้าความเชื่อนี้มีมาก่อนพระเจ้าด้วย เขามีความเชื่อว่าบุคคลที่ดีที่สุดคือบุคคลที่ไม่มีโทษทางกายทางวาจาและทางใจคือเป็นผู้พูดดีคิดดีทำดี mm hmm. เขาก็เลยจริงๆดูแล้วลัทธินี้ก็สอนดีนะ mm hmm. คือดูทัศนาคติการสอนอก็กกนดีนะ mm hmm. แต่พระพุทธเจ้าเราแย้งว่าอย่างไรรู้ไหม mm hmm. หากหากไม่ใช่ติดดีหากบัญญัติการดีการทาดี mm hmm. เพียงแค่คิดดีทำดี แล้วก็ไม่เบียดเบียนใครนะไม่เบียดเบียนใครอะไรประเภทเนี้ยการทําดีของลัทธินั้นก็ทําดีกว่าเด็กทารกพิดหน่อยเองเพราะอะไรเพราะเด็กทารกไปด่าใครไหมเด็กทารกคิดร้ากับใครไหมเด็กทารกไปต่อยตีใครไหมแสดงว่าในบรรดาบุคคลที่ดีที่สุดก็เด็กทารกในดีที่สุดใช่ไหมเขาก็ดีดีกว่าเด็กนิดหน่อยเองผู้เจ้า่ายเงี้ย แล้วภาษาสาระสอนยังไงไม่สอนให้คิดดีพูดดีทําดีเหรอสอนแต่ว่ามีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นเลิศกว่านั้นญญเหงื่อเป็นปัญญานั่นหมายถึงว่าแม้ใครจะทําไม่ดีมาก็ตามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช่ไหมผู้ย่อบอกทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงทําดีสามารถเปลี่ยนไปทําเลวได้ไหมไทําเลวเปลี่ยนมาเป็นทําดีได้ไหม นี่คือความเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องเข้าใจกฎของการเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกคนเข้าใจกฎกฎของการเปลี่ยนแปลงแล้วบางคนทําดีมาตลอดเนี่ยเผลอไปทําไม่ดีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยจะทุกข์ใจไปทั้งชีวิตก็มีเพราะไม่ทราบกฎของการเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าบาปติดอยู่กับตัวเราพระเจ้าไม่ได้สอนว่าบาปเป็นเครื่องติดอยู่กับตัวเราแต่พระองค์บอกว่าทําบาปบาปย่อมให้ผลแต่ไม่ได้ว่าเราต้องติดหรือเป็นเครื่องตราบาปอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดไปพระเจ้าบอกว่าเมื่อทําบาปแล้ว ก็ให้เห็นโทษของบาปนั้นอย่ายินดีในบาปนั้นแล้วตั้งจิตในกุศลใหม่บาปนั้นก็จะตกไป mm hmm. เห็นไหมพระยาวสอนให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ถึงความเจริญไปถึงขั้นปัญญาอันสูงสุดจนสามารถอบรมจิตใจตัวเองเป็นผู้อยู่เหนือโลกสมมติทั้งปวงนี้เ น, นี้ถ้าเกิด อ, อย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านจาบลาจะพูดถึงใครแลวท่านเจาะไปเลยว่าเนี่ยเป็นคนบาป คือก็คือแชรว่าคือจริงๆมันเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักคุณสอนของพระเจ้าเราอาจจะชี้ได้ว่าการการทําอย่างนี้เป็นบาปแต่เราจะไปบอกว่าอันนี้คนบาไปไม่ได้คือเเคยได้ยินคูอบาอาจารย์ให้หมอนี่คนบาปพระเจ้าจะพูดถึงขนะแห่งการการะทาขณะนี้เอางี้ขณะนี้เราฟังเทศฟังธรรมทาบุญขณะต่อไปหลังจากออกไปไปจาก น, นี่แล้วจิตเราอยู่กับการ ตึกนึกอยู่ในธรรมไหมเราจิตเราก็จะตึกนึกไปตามเรื่องที่เข้ามาสัมผัสใช่ไหมล่ะเรื่องดีเราก็คิดไปทางดีถ้าเรื่องไม่ดีก็คิดไปในทางไม่ดีมันเที่ยงไหมล่ะมันคงที่ไหมล่ะแล้วเรายึดถืออะไรได้ไหมในจิตที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่ตลอดไปเรายึดถือไม่ได้เราจึงกําหนดรอบรู้ได้ว่าอ๋อขณะนี้จิตดีขณะนี้จิตไม่ดีขณะจิตที่ดีก็เกิดและกระดับขณะจิตที่ไม่ดีก็เกิดและกระดับเมื่อเราทราบทั้งดีและไม่ดีนั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาคือตัวสติ ตัวสติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรอบรู้เป็นสติเป็นตัวปัญญารอบรู้ทั้งจิตดีและจิตไม่ดีเพื่อที่จะวางจิตคําว่าวางจิตหมายถึงว่าวางใจให้รับทราบอารมณ์ตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นหมายถึงว่าเราสามารถรับสัมผัสในสิ่งที่ดีก็ได้และรับสัมผัสในสิ่งที่มีไม่ดีก็ได้แต่เราจะไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีนี้ทำให้เราล่วงอกุศลแต่เราจะเจริญสิ่งที่ดีขึ้น เราจะได้ทราบกิตในการกระทําในจิตของเราว่าขณะแห่งจิตท mm ี่รับรู้รับทราบอารมณ์ที่เขามาเกี่ยวข้องและสัมผัสเรานั้นว่าจิตที่รับทราบอารมณ์เหล่าใดควรรู้อารมณ์เหล่าใดควรละอารมณ์เหล่าใดควรทําให้แจ้งและอารมณ์เหล่าใดควรเจริญขึ้นถ้าเป็นกุศลธรรมเป็นอารมณ์ที่ควรเจริญขึ้นถ้าเป็นอกุศลธรรมเราก็รู้ว่าควรละใช่ไหมล่ะถ้าเป็นทุกข์เราก็จะกําหนดรู้ว่าเป็นของควรยอมรับอย่างเงี้ยการรู้เห็นอย่างเงี้ยเรียกว่ามรรค เป็นของควรจเจริญขึ้นคือเราต้องมารอบรู้อยู่ภายในจิตของเรานั่นแหละคือการทำตัวเองให้ปสาสจากโทษที่จะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับตนนี่คือการอบรมปัญญาตนเองให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเอาจากเรื่องบุญบาปโรคหน้าเวียนใตายเกิดมาถึงเรื่องการปฏิบัติก็ <c oughs> ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างเมื่อวานก็มีคนบอกว่าเด็กทุกวันนี้ไม่ค่อยสนใจธรรมะไม่ค่อยสนใจบุญบาปจะแก้ยังไงพระอาจารย์ก็รากฐานทางาศาสนาเราถูกวางมาผิดตั้งแต่แรกแล้วแก้ยากแต่จะแก้เด็กนี้มันแก้แก้ยากแต่เราอย่าไปมองว่าเขาไม่เชื่ออย่างนั้นไปตลอดเพราะขณะแห่งขณะของความเป็นของเขา ที่เขาเป็นในเวลานั้นก็คือในเวลานั้นแต่ในเวลาที่ต่อมาหากมีเหตุปัจจัยที่จะเปลี่ยนเขาได้เราก็สามารถเปลี่ยนเขาได้คือจิตใจแต่ละคนมันมันต้องการบางสิ่งบางอย่างตอบสนองแต่ละขณะไม่เหมือนกันตอนเป็นเด็กเราก็ต้องการอย่างหนึ่งโตขึ้นมาอีกเราก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งพอสูงวัยขึ้นมาเป็นอ๋อเป็นคนผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องการแบบเด็กๆพอสูงวัยขึ้นมาเราก็ต้องการอีกแบบหนึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการแบบ แบบชีวิตที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันมีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปได้มันอยู่ที่ว่าขณะนั้นเวลานั้นช่วงของเวลานั้นเราเอาอะไรไปให้เขาตอนเป็นเด็กแค่ให้มันอะไรเข้าวัดเข้าวามันก็เข้ายากเหมือนคนคนแก่มันก็สัมไม่สามารถเข้ามาได้แล้วจะไปบอกว่ามันไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ก็ไม่ใช่มันก็ต้องเป็นตามขณะ ม, มีเด็กอยู่ประมานกั่ขณบะแนนี้เขาอยู่ประมาณสี่ขวบเป็นลูกพุ่มาษา <c oughs> เขาได้ดูกระดุมจิตตะนะคอนเขาได้ดูดูมตตะบอและเขาสามารถเข้าใจในในเรื่องของในรายละเอียดของในจิตตะนะคอนธรรมะเป็นธรรมะตรงนั้นเลย <c oughs> ครับแล้วเขาก็มีความเกรงและ ละอายที่จะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยนั่นก็คือการปลุกฝังขณะที่ยังไม่ได้อยู่มันก็มีผลอยู่ก็มีผลแต่ก็ไม่เที่ยงอีกเพราะจิตของเด็กมันมันรับได้ในอารมณ์ขนาดนั้นจริงะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ตลอดไปถามว่าดีไหมดีพ่อจะถูกสะสมในพื้นเพในทางที่ดีมาในวาระใดวาระหนึ่งที่เขาเผลอไปทําอะไรที่มันไม่ดีไอ้ตัวเนี้ยจะคอยกระตุ้นเตือนเขา อยู่ไปๆก็เหมือนกับว่ายังมีความรู้สึกเกรงแล้วก็ใช่ตอนที่รับรับสิ่งที่เขามาสัมผัสในเรื่องพ้องธรรมะจิตก็ต้องโน้มเอียงจิตเนี่เป็นธรรมชาติของการโน้มเอียงเนี่ยแต่พอถึงระยะเวลาที่มีอย่างอื่นมาสัมผัสมันก็จะโน้มเอียงไปอย่างอื่นได้อีกมันจะโน้มเอียงไปได้แต่การโน้มเอียงไปในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่โน้มเอียงแล้วผ่านไปเฉย มันจะถูกสะสมไม่เป็นเครื่องบัตรรสนามคือตอนเต้องเข้าใจว่ากิจทุกดวงจะมีธรรมชาติของกิเลสแฝงอยู่เพราะฉะนั้นตอนขณะที่มันเรียนรู้ธรรมากิเลสยังไม่ปรากฏเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกละอายอยู่ตอนเป็นเด็กนะเพราะมันมันยังไม่รู้จากการทําบาปอะไรมากแต่พอเริ่มโตขึ้นมาเริ่มมีความคิดเริ่มมีการารับทราบับสัมผัสตามอายตนะจะไปค่อยๆกระทุ้งกิเลสที่มันเคยเกิดตามอาการแห่งการสัมผัส มาขึ้นมาพอมันตัวนี้เกิดขึ้นมาปั๊บธรรมะก็จะเริ่มคายตัวลดความเข้มข้นลงนะแล้วมันมันจะเกิดชกคกกีกับกิเลสนั่นแหละสักพักหนึ่งมันจะรู้ถึงความไม่ไม่สบายมันก็จะมาหาธรรมะมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมากลับมากลับไปอตมาจึงบอกว่าไม่มีใครที่ดีถาวรและไม่มีใครชั่วถาวรไม่องั้นผู้ได้เจ้าจะไปโปรดโจรองค์ุลิมานได้หรือ ที่คนในเวลานั้นสังคมในเวลานั้นตัดสินว่าองค์คุลีมานคือมหาโจรที่โหดร้ายที่สุดเป็นฆาตรกรที่จะต้องเข้าสู่หลักประหารอย่างเดียวแต่ไม่มีใครสามารถจับองคุลีมานเข้าสู่หลักประหารได้เพราะไม่มีกําลังที่จะถึงในการจับพระเจ้าประสิทิ์ที่กุศลก็ยังหวั่นหทั่นให้จัดกองทัพเพื่อที่จะไปจับองค์คุลิมานโจรคนเดียวนี่กองทัพมีเป็นพันเป็นหมื่นแต่ก็ยังหวั่นอยู่ว่าไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าเพราะ องคุลิมานี้มีพลังกาลังมากเขาก็ลงความเห็นกันว่าองค์คุลิมันจะต้องเข้าสู่หลอกปาหานเท่านั้นแต่ผู้เจ้ามองว่าองค์คุลีมานจะเป็นพระอาหารหันต์ความคิดของผู้ได้เจ้ากับความคิดของชาวโลกคนละเรื่องเลยนะเมื่อพระองค์คิดว่าองค์คุลิมันจะเป็นอาหารหันต์ได้พระเจ้าก็ตกไปโปรดเขาแล้วก็แก้จิต ด, ดวงนั้นกลับคืนมาทีนี้ องคุริมันเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุพระเจาะเ้าประสิทธิ์ที่กุศลมากราบทูลพระพู้ได้เจ้าแล้วกราบกับพระองค์ว่าข้าพงศ์ขอกราลา่าวพระองค์เพื่อไปจับจนองค์คุริมานราาพระเจา้าค้าพระเจ้าก็เลยบอกว่ามหาบาพิตรจะจับโจนนั้นไปทําไมโจนองคุริมานเป็นจนที่ดุร้ายเป็นฆาตะกร้าฆ่าคนเป็นพันๆแล้วก็เอานิ้วห้อยคอเป็นพวงมาลัยห้อยคออยู่ ไม่ควรที่จะปล่อยไว้เพราะจะเป็นอันตรายต่อสังคมพระเจ้าก็บอกว่ากิจในการที่จะไปจับโจรของพงษ์ไม่มีแล้วไม่ต้องไปแล้วพูดง่ายๆเอาทําไมไม่ให้ไปแล้วพระเจ้าค่ะก็องค์คริมานอยู่ที่นี่ตกใจเลยอยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนวะยังไม่รู้ตัวเลยไง <c oughs> <c oughs> ตกใจองค์พระเจ้าประสิทิ์ที่ตกใจเลยนะตามท้องเรื่องเข้าว่าอย่างนั้นเลยนะตกใจกลัวสันใจสันวิววิอยู่ข้างในอา้าว โจรคลีมันอยู่ในป่าไม่ใชลมันอยู่นี่ได้ยังไงลักลอบประทุสไลด์เราหรือเปล่าอะไรพวเนียรู้ตัวว่าเราจะไปจับแล้วแต่มันเตรียมฆ่าเราหรือเปล่าตกใจกลัวสาวทุกขอพระองค์จนไปพึ่งแก่ข้าพระองค์เถิดตอนนี้องค์คลีมันอยู่ที่ไหนว่าจะค่ะอยู่หลังเรานี่แหละองค์คลีมันเธอแสดงตัวขึ้นมาซิป่ะองค์คลีมันก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นยืนขึ้นผู้จ่าก็เลยบอกว่ามหาภพิด หากเข็นองค์คุลิมานเป็นภิกษุแล้วมหาปพิธจะปฏิบัติต่อไรอย่างไรต่อภิกษุองค์ุลิมานนี้โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ข้าวพวง ก, ก็คงจะถวายปัจเจศีแด่องค์ุลิมานพระเจ้าข้าก็<笑><笑>เลยสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าพระองค์นี้รู้จกักเขาเรียกว่ามีใครยางพยานคือรู้จักว่าใครควรสอนใครไม่ควรสอนใครแก้ได้แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทัศนะของพระพุทธองค์เป็นทัศนคที่เยี่ยมกว่าทัศนะของคนทั่วไป ทัศนาของคนทั่วไปจะเป็นทัศนาอันคับแคบจะเห็นเพียงแค่การกระทำภายนอกเนี่ยแล้วก็ลงความเห็นในเรื่องนั้นว่าคนเนี่ยเป็นคนชั่วช้าหรือเร็วซามเห็นเพียงแค่สายตามองอย่างเงี้ยก็ตัดสินคนอื่นแล้วเนี่ยมันเป็นทัศนาที่คับแคบมากแต่พระองค์ไม่ได้มองพระองค์มองกว้างไปกว่า น, นั้นว่าพระองค์มองไปถึงจิตว่าจิตขององค์คุริมา น, นี้มีไฟแห่งมรรคยานลุกโผล่อยู่เขาจะต้องได้มรรคผลในชาตินี้แน่นอนพระองค์ลืมแม้กระทั่งความเป็นไม่ได้ลืมหรอกคือ ความเป็นโจรนะพงศ์ก็ทราบว่ามาจากเหตุอะไรนั่นคือปัญญาที่ยอดเยี่ยมการที่เราจะตัดสินอะไรใครเราต้องไขขวนด้วยปัญญาไต่ตองหาเหตุผลให้ถึงที่สุดก่อนเนี่ยนี่คือเป็นลักษณะทางวุทยาศาของเราเพราะฉะนั้นการที่จะไปว่าใครง่ายๆนี่ผู้ประพฤติทําที่แท้จริงแล้วจะไม่ว่าใครง่ายๆจะไม่พูดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้เลวอะไรง่ายๆจะจะไม่มีทุกอย่างต้องผ่านการใไขขวนหากไม่ลงใจ ด้วยการพิจายรณ า, าด้วยเหตุผลแล้วเราจะไม่ว่ากล่าวหรือตำหนิอะไรใครเพราะการที่พูดออกไปด้วยความาพลาดพรั้งด้วยทัศนคติที่ไม่ผ่านการพิสูจน์หรือพยยาาิจารณาใครควรอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสร้างวิบากกรรมให้กับตนเองเปราๆนี่คือลักษณะสติอย่างหนึ่งนะที่เราจะต้องมีกำกับไว้ภายในตนเองบางทีเราแทบจะไม่เห็นด้วยท่านได้ยินแค่เสียงเข้าหูท่านน่นก็เชื่อเอาไปหมดไงให้ท่านมีดี ก็กลายเป็นมองไม่ดีตามที่ไอ้คนที่เขาพูดเขาว่ามาเออเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าอย่างเงี้ยสังคมเรามันอยู่แค่นี้เนี่ยเขาว่ามาอย่างนี้นี่นะเขาเล่ามาอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมียุคสมัยหนึ่งที่ตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องของน้ําจะท่วมอะไรโลกจะแตกหรือน้ําจะท่วมนี่จะไม่มีที่อยู่อะไรกันอ่ะช่วงนั้นอยู่ภาคหนึ่งนะปีไหนนะห้าสี่หรือห้าห้าประมาณเนี้ย พระอาจารย์ยอมจะทํำยังไงนี่เขาบอกมันจะไม่มีที่อยู่แล้วนั่นโลกนี้มันจะแตกแล้วมันจะถึงความมืดมิดเอกสารที่เขาพยากรณ์เรื่องพวกนี้เต็มไปหมดเลยยกมาให้ตามาอ่านเน่ย ใ, ใครมาพยากรณ์ยกคําของพระพุทธเจ้าด้วยว่าเพราะพุทธเจ้าเคยพยากรณ์ไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความน่าเชื่อถือก็มากขึ้นนี่นี่ยมอยู่ไม่เป็นสุขจะอยู่ยังไงยอมจะเตรียมอะไรบ้างเตรียมเทียนไขเตรียมอาหารกับป๋องเตรียมเครื่องชูชีพ พาอาจารย์พระอยู่บนดอยมีกี่รูปมีอยู่หกรูปทําไมเหอเรอโยมจะเตรียมกระเป๋าชูชีพไว้ให้ <c oughs> ตามออกไม่ต้องถ้าบนดอยพระบนดอยเตรียมตัวตายกันหมดแล้วไม่มีกระเป๋าชู ช, ช, ชีพไม่ต้องเอามาไม่ได้นี่เขาประกาศออกมาแล้วนี่ทางเนี่ยทั้งอำเภอเนี่ยเขาเตรียมแจกกันหมดแล้วเขาอย่างเงี้ <c oughs> คนมันแตกตื่นกันขนาดนั้นอ่ะนะมันมีช่วงหนึ่งใช่ไหม แต่ตื่นกันจนอยู่ไม่เป็นสุขนอนไม่หลับเขาบอกท่านน้ํามานี่โคคนจะตายกันเบื่อเอาถ้าตายกันเยอะขนาดนั้นแล้วจะอยู่รอดเพื่ออะไรสมมติว่าพ่อเราก็ตายแม่เราก็ตายญาติเราก็ตายพี่น้องเราก็ตายเหลือแต่เราคนเดียวแล้วจะอยู่ทําไมแต่มาว่าอย่างเงี้ยอยู่แล้วมานั่งทกขทุกข์ระทมใจว่าคนนั้นตายคนนี้ตายก็เศร้าใจตัวเองเปล่าเปล่าตายไปได้กันได้หมดแล้วแหต่มาว่าอย่างเงี้ยเอาพระอาจารย์ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเอาถ้ามันจะเกิดมาจริงๆนี่ มันหนีไม่พ้นมันคือหนีไม่พ้นแต่ถ้ามันจะหนีพ้นมันก็ต้องหนีพ้นโยมก็ต้องรักและรึกถึงพระราตนไตอตมาเราลึกถึงพระราตนาไตพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไว้เวลาตายแล้วจะได้ไปดีเราต้องเตรียมตัวถึงขนาดนี้นะเนี่ยอตมาสอนสอนโยมให้มีสติอย่าไปแตกตื่นเนี่ยมันจะเกิดไหมพระอาจารย์เนี่ยอตมาเชื่อว่าไม่เกิดแต่มันจะเกิดอยู่ในช่วงพอช่วงที่อะไรโลกนี้จะแตกมีอยู่เท่รับกับพินาศ ถ้ากลับถึงคราวกับพินาศเนี่ยอันนั้นเกิดแน่แต่ยุคนี้ไม่เกิดจนไปถึงยุคภาษีอาญาไม่ตายก็ยังไม่เกิดแล้วก็ล่วงเลยยุคภาษีอะไรไม่ตายไปอีกนานมากๆนานมากๆแล้วถึงจะเกิดแต่ยุคนี้ไม่เกิดแน่นอนไม่ท่วกรุงเทพนะไหนก็กรุงเทพมันท่วมมาหลายครั้งแล้วนี่แล้วมันก็ลดอยู่นี่ท่วมได้ก็ลดได้ก็มันก็เป็นกฎธรรมชาติกฎทางธรรมชาติก ฎ, รรฎรรของฤดูกาล น้ำมาก็ต้องท่วมน้ำน้ำหมดไปมันก็ยุบมันก็แห้งก็แค่นั่นเองทำไมไปแตกถืนอะไรกันขาวเรื่องน้ำเมเ่าน้นราะเาขกลัวน้จะตายเดว่ากลัวทไมก็ดีมีเพื่อนตายเยอะดอไม่เหงาีเพื่อนตายเยอะอตมาก็เลยยกเรื่องในพระไตรปิฎกที่อุบาสกผู้หนึ่งลงเรือสำเภาไปค้าขายเขาก่อนที่เขาจะไปค้าขายเขาไปถวายทานก่อนแก่พี่สุสง แล้วก็สมาธานศีลจากนั้นก็ลงส้เผาไปเกิดน้ำในในในทะเลมันปั่นป่วนเกิดพายุขึ้นทะเลสัต์จนจะทำให้เรืออับปางคนที่อยู่ในเรือนะั้นประมาณ500ต่างก็ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะ่ประจาะําศาสนาประจํารัฐที่เนะี่ยเส้นสวงเส้นไหวสวดสารเสริญว่าสารพัดเอาออกมาเลยบทสวดแต่ละบททุกวันนี้เขาบอกบทสวดที่พญายมให้มา พังสวดไว้ต้องทําเป็นผ้าติดไว้ตามบ้านเรือนมีมอดแถวเชียงรายเรานี่นั่นคือเหมือนกันในเรือนมีบทเขากระทำทำเส้นสวงเส้นใบพระจงพระเจ้าอะไรของเขาแน่นแหละแต่มีอุบาสกพวกนี้นั่งนิ่งและลึกถึงพระรัตนาไตายและลึกถึงทานที่ตัวเองได้ให้ไว้และลึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาแล้วก็นั่งและลึกอยู่อย่างนั้นสงบนิ่งอยู่คนทั้งหลายในเรือก็บอกว่าเอา้าท่านทําไมไม่สวด บวงสวงพระผู้เป็นเจ้าทำไมไม่ทำทำอะไรเขาเรียกว่าเส้นไหว้ให้เหตุเหตุการณ์หลายๆเนี่ยให้มันสงบแล้วงับไปอุบาสกผูนี้ก็เลยบอกว่าประโยชน์อะไรในการทำอย่างนั้นมีประโยชน์อะไรพวกท่านต่างก็บาดวิตกกลัวและอกสันขวัญแขว น, ขนและอยู่ไม่เป็นส่ ก, กันอย่างเงี้ยจิตของท่านที่ไม่เป็นสูกและดิ้นรนอยู่อย่างนี้ยังไม่สามารถ ทำประโยชน์อะไรแก่ท่านได้เลยแล้วท่านจะไปเส้นสวงเส้นไหวอย่างนั้นนั่นจะมีประโยชน์อะไรแต่จิตของเรานี้สงบเพราะเราละลึกถึงพระาาราชาท่านไต่ละลึกถึงทานที่เราได้ให้ไว้ละลึกถึงศีลที่เราได้รักษาจิตของเราไม่ปั่นปว่วนเราไม่กลัวเราไม่กระวนกระวายจิตเมื่อเราสงบแล้วอะไรจะเกิดมันก็คือความสงบเราไม่มีความวิตกกังวลและวุ่นวายอยู่กับเรื่องอะไรใดใดในพวกคนอยู่ในเรือก็ถามว่าเอาท่านท่านทําอย่างไร ถ้ไม่จิตท่านสงบอย่างนี้ได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยสิระลึกอย่างไรพุดทางสระนังคัจฉามิทำมังสะระังคัจฉามิสังทางสะรณนังคัจฉามิพวกข้าพเจ้าระลึกได้ไหมล่ะได้เ็เลยนั่งระลึกพระรัตนตนั่งอย่างเงี้ยนั่งสงบอย่างเงี้ยระลึกถึงผู้ทีเจ้าพระธรรมประสงค์พุดทางสระังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสังทางสะระังคัจฉามิแล้วระลึกถึงศีลระลึกอย่างไรก็ปานาติปาตาเราข้าพเจ้าของดเว้นจากปานาติบาตข้าพเจ้าของดเว้นจากอตินันทาจนสาแลเยึึกถงงตไีอ่้ น้ำก็ท่วมจมตายกันหมดทั้งเรือแสดงว่าพระราชาไทยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรือช่วยสิช่วยอะไรหลังจากอุบาสกนี้กับชาวเรือทั้งหลายละลร ะ, าายล ะ, ละลึกถึงพระราตาไยระลึกถึงศีลของตนแล้วตายแล้วไปจุติอยู่จาตุ ม, มหาราชิกาด้วยดาดึงประมาณนี้นั่นคืออนุภาพคือการช่วยเหลือที่ดึงออกมาจากความยากลําบากไปเป็นเทวราอยู่บนสวรรค์มีวิมานทิพย์เครื่องทิพย์ของทิพย์ แล้วก็ไปพูดกันอยู่บนสวรรค์โอ้โหถ้าไม่ได้ท่านแนะนําให้นึกพระพุทธไตนี้พวกขา้าพวกข้าพเจ้าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกันแล้วที่นี่โอ้อานาจพระพุทธไตดีอย่างนี้เนอมีอนุภาพอย่างนี้หนอก็ก็เห็นอนุภาพอย่างนั้นถ้าไม่ตายก็คงไม่รู้ <c oughs> ตายปั๊บก็ได้รับอภิสุงทันทีมันดีกว่าการตื่นตนกอย่างเงี้ยมีมีมีข้อทําอะไรจะถามมีไหมมีครับอ่า จะขออนุญาตอาจารย์เพราะว่าสงสารอาว่านั่งนานแจกแจงเรื่องให้บุญกับบรารมีกันมันต่างกันอย่างไรแล้วก็ต่างต่างมืม่มมไหรจะเป็นยังไ ง, ไงบุญนี้พวกเราเนี่ยทําได้ทุกคนแต่บรารมีนี้ทําได้ไม่เหมือนกันทุกคนบรารมีคือการทําให้เต็มทําให้ถึงฝั่งบรารมี แต่ถ้าบุญนี่คือการสั่งสมอบรมสิ่งที่เป็นกุศลธรรมหนุนจิตเราให้เป็นไปในัตาแต่บรารมีเป็นการตั้งปณิธานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นและเป็นปณิธานนั้นยิ่งใหญ่แต่อาศัยบุญนี่แหละแต่ทําให้เต็มมันจะมีบรารมีธรรมดาคือการทําบุญทั่วไปก็มีอุปบรารมีทําบุญที่เข้มข้นขึ้นมาอีกเหนือกว่าคนทั่วไปทําได้ยิ่งกว่าเกินคนทั่วไปปรามัทธบรารมีทําได้ ยิ่งกว่าไปนั้นอีกเข้มข้นก็ไปกว่านั้นอีกกว่าคนทั่ ว, วไปอีกหมายถึงว่าคนอื่นทําบุญทั่วไปนี่คืออุป ป, ปารมีพวกเราอยู่ในชั้นของอุปปพรมีทําบุญทั่วไปให้ทานรักษาศีลอย่างเงี้ยเป็นอุปบพรมีแต่ระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านทําอุปปพรมีเนี่ยไม่ใช่ท่านทําบารมีแล้วก็อุปปพรมีคือทําบุญที่เข้มข้นกว่าคนอื่นสูงขึ้นไปแล้วก็ปรมิทัศบารมี ให้ทานแม้กระทั่งร่างกายชีวิตควักดวงตาของเราเนี่ยให้คนอื่นได้นั่นคือปรมาธธาัาถะแต่คนทั่วไปทำไม่ได้คนพวกทั่วไปไดแ้แค่บุญธรรมดา ท, ทั่วไปคือให้ทานได้แต่ควักลูกตาให้คนอื่นเนี่ยเป็นเฉพาะของบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีเท่านั้นที่ทำได้แล้อย่างที่ผมเคยได้รับคําอธิบายมาแล้วผมก็ ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าว่าคือผมจะแยกรายละเอียดมาที่ว่าขณนะที่ทําบุญเนี่ยเจตนาเราลงไปแล้วแล้วก็ลงมือทําไปแล้วเป็นบุญคือไม่ว่าจะเตรียมของมาถวายพระหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ทีนี้ว่าพอลงทําตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคขึ้นมาหรือมีตัวขวางกั้นมาหลายมันมีหลายแบบครับตัวขวางกั้นตรงนั้น อาจจะมีอะไรมาปวนใจให้เกิดโทรศัพท์ไม่ไปแล้วไม่ทําแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมหรือว่าลดยางแบงหรืออะไรหลายอย่างที่มันแต่เจตนาที่ลงไปแล้วว่าจะต้องทําให้ได้ก็จะฝ่าฟันตรงนั้นมา <c oughs> มันจะกล้าขึ้นมาสู่ความเป็นบา ร, รมีได้ไหมตรงนั้นมันก็ได้บา ร, รมีแปลว่าทําให้มันเต็มการทําให้เต็มให้สมบูรณ์ที่เจตนาจะทํา <c oughs> ใช่การทําให้มันเต็มเต็มถึงความ เต็มที่แห่งความปณิทานต้องไปปฏิทานด้วยปณิทานที่ยิ่งใหญ่หมายถึงว่าถ้าเราจะให้ทานให้ทานเพื่ออะไรพระเจ้านี่บอกว่าให้ทานเพื่อความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณแต่คนทั่วไปบอกให้ทานเพื่อให้ได้บุญได้เกิดใหม่ในภพชาติที่ดีกว่าเดิมหรือให้มีขจัดเครื่องปัดเป่านี่คือให้ทานแบบทั่วๆไปเป็นไม่ใช่ไม่นับว่าเป็นบา ร, รมีแต่บา ร, รมีหมายถึงว่าทานนี้จงเป็นไปเพื่อความเป็นสัมมาสัมโพธิญาณไม่รู้จะสำเร็จตอนไหนก็ไม่รู้แหะ แต่จงเป็นไปเพื่อสมาสามโพธิยันและที่สุดแห่งทานบา ร, รมีนั้นที่เป็นปรมตถะจะต้องสละได้ในชั้นพระเวสสันดรเราก็เห็นอยู่ว่าสละอะไรบ้างเป็นชั้นปรมัตถะเนี่ยแล้วมันมีมันไม่เหมือนกับบุญต่างกันเพราะว่าบุญนี้มั น, มนทำได้ทุกๆคนไม่ไม่ต้องอาศัยปฏิฐานอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้น มีตัวอย่างอยู่ว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเข้าไปช่วยทางานในครัวนี่คือตัวอย่างที่ทางพระอยู่ท่านหนึ่งท่านพญพฤ ย, ยาให้ครับว่ า, วาเป็นปุปปารมีก็คือเขาไปทำงานอยู่ในครัวเพื่อที่จะ จ, จัดเตรียมอาหารถวยายพระก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาทำบุญอะไรประมาณนี้นแล้วมันมีอยู่รอบหนึ่งที่เขามีอาการที่ว่าเขาเป็นแม่ครัวที่ต้อง แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นนะ่ะอาการมือของเขาที่มันมีปัญหาท่านพี่ว่าจับอะไรก็ไม่ได้กับการ อ, อา่าไว้ไหมเอออา่าแล้ว <c oughs> เห็นใจอา마าา <c oughs> แล้วเกินน่ะนะการกล่าวลากันก่อนก็ได้เดี๋ยวนี้จะสนทนาตามต่อ <c oughs> กับพระพุทธเจ้า <c oughs> กับพระธรรมกั <c oughs> บพระสงฆ์ <c oughs> พุทโธรักษาธโมรักษาสังโฆ ร, รักษาพุทโธคุ้มครองธโมคุ้มครองสังโฆคุ้มครอง พุทโธธโมสังโฆอายุวันโนสุ ข, ขังพลังมีความสุขความเจริญเนิ่งเกิดอะไรนะเกิดเป็นอะไรมือเป็นอะไรมีปัญหาเรื่องมือเขาไม่สามารถจะหยิบจับอะไรได้เลยเอา้าวมือมัน น, นิ่งไปใช่ไหเนี่ยเป็นอัมพาตทันทีเลยเหรอมันมันมีปัญหาขึ้นแค่ จากอะไรไม่ได้ครับแต่คือกับแค่การที่จะยกแก้วน้ํามาดื่มเขายังต้องใช้ส้นมือแบบนี้นครับในการยกน้ำดื่นครับเขาก็ยังลงใจที่ไปทําและใช้ปากสั่งงา น, นอื่นในการทำตรงนั้นนะท่านนี้ถือว่าเป็นอุปกรณมีไหมครับยังเ้าทําเพื่ออะไรล่ะปารถนาอะไรให้ตรงปาถนาตรงนั้นไม่รู้ว่าเขาปาถนา ก็ยังไม่ใช่เป็นบา ร, รมีเพราะมันต้องมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ในการทำอย่างนั้นถ้าไม่มีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นชั้นของการทำทานทั่ ว, วไปยังไม่ใช่บา ร, รมีอุบา ร, รมีนี่ใช้เวลานานมากนานก็ต้องสั่งสมให้เต็มหลายภพหลายชาติต้อ ง, องเป็นไปในภพอีกยืดยาวนานกว่าจะเต็มบา ร, รมีนี้นะแต่บุญนี้ในชาตินี้แลาสมมติว่าคนทาสังฆทานครั้งหนึ่ง ครั้งเดียวนะแต่สมมติวันนี้ทำสังฆทานกูกลายทาสังฆทานวันนี้ครั้งเดียววันแรกพรุ่งนี้นึกถึงสังฆทานในวันนี้ที่ตนเองทำเหมือนกับทำในวันนี้ก็เหมือนกับว่าวันพรุ่งนี้คูกายก็ได้ทำสังฆทานเหมือนกับวันนี้อนุภาพบุญที่เกิดจากการถวายสังฆทานก็เกิดในวันนี้ ที่เป็นเหมือนกันกับพวกนี้วันต่อไปผูู้กายก็นึกถึงทานนี้อีกเหมือนกับตัวเองได้ทานในวันนี้คือความรู้สึกที่ได้ถวายทานที่เกิดจากการตั้งใจเสียสละตั้งใจที่จะถวายจนถวายถึงที่สุดแล้วจิตใจก็มีแต่ความปราปื้อมินดีทุกทุกวันทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ว่าตัวเองได้ถวายสังฆทานทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนั่นก็คือการถวายสังฆทานทุกวันจนไปถึงวันตายทําแค่ครั้งเดียวนี่แหละแต่ละลึกถึงจนถึงวันตาย ไม่ต้องทําอีกเลยก็บุญที่เกิดจากสังฆทานนี้ก็จะเกิดติดต่อนเนื่องกันอยู่ตลอดและสะสมสะสมสะสมสะสมสําเร็จผลในบุญแต่บรารมีนี่มันต้องเอาแบบข้ามพข้าชาติคือปรารทานา ย, ยิ่งใหญ่ปรารทนายใช่ปะเป็นสมมาสัมโพธิญาณหรือปารทานาความเป็นอัครสาวกขอสัมมาสัมพุทธเจ้าจใช่ต้องปารทานาอย่างยิ่งใหญ่ เพรา ะ, ะนั้นการทำบุญน่ะสามารถทำให้เต็มในภพนี้ได้สังฆทานครั้งเดียวก็ได้ไม่ต้องทำอีกเลยถ้าสามารถทรงอารมณ์ในจิตได้นะให้เหมือนกับทำในครั้งแรกเนี่ยทำให้เต็มได้แต่ก็คือใ น, ในชั้นของบุญแต่บรารมีนี่ต้องเต็มจริงๆถึงจะเป็นบรารมีไม่เต็มไม่ได้ที่เขาบอกมันไม่มีบรารมีไม่เกิดอย่างงั้นนะ อันนั้นไปตีความหมายบา ร, รมีผิดนะมั่งบางบางที่ที่เคยได้ยินเขบอกบารมีคือกําลังใจนนกําลังใจที่ทำกำลังใจที่ตั้งก็ปฏิทานนี่แหละปฏิทานที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละเป็นความตั้งมั่นที่ต้องฝาฟันไปจอใช่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตั้งปณิทานว่าจะเป็นสมมาสัมพุทธะท่านก็ทําบุญทาบาปมา ไม่มีบา ร, ร, ร, รมีอะไรทั้งสิ้นทํามาเรื่อยๆจนมาถึงรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินเอ๊ะทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ได้ก็เลยตั้งขึ้นมาเลยว่าความเป็นไปในภพชาติที่จะเป็นไปเพื่ออบรมตนเองให้พ้นไปจากกองทุกข์นั้นเป็นอย่างไรข้าพเจ้าขอตั้งปฏิธานเพื่อความเป็นไปอย่างนั้นเพื่อให้เข้าถึงความพ้นทุกข์โดยชอบที่เป็นที่พ้นทุกข์จริงอะไรเป็นที่พ้นทุกข์จริงปัาฐานแห่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ แล้วสามารถพาคนอื่นพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยก็ตั้งปณิธานขึ้นมาแล้วก็ทําบุญที่ตัวเองเคยทํามาทั้งให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นปรมาถะจนเต็มบริบูรณ์เท่ากับทําเพื่อสะสมขึ้นไปใช่ใช่ใชนั่นคือมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายแต่ถ้าไม่ตั้งปณิธานอย่างนั้นท่านก็ไม่ต่างจากคนทั่ ว, วไปก็คือคนเราเราเองนี่แหละคือทําบุญทําบาทําบุญทาบาตใช้ชาติไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตาย ก็ไม่มีสัมมาสัมพุทธะก็ไม่มีผู้ก่อตั้งพืทธศาสนาก็มีแค่คนที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ทําบุญทําบาปไปอย่างเงี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดแต่เนื่องว่ามีมีบุคคลเนี่ยบุรุษบุคคลผู้ป่าถนาความ พ, นพ้นทุกและป่าธนาความเกื้อกูลต่อคนหลายว่าจะ พ, นพ้นุกเพราะเราได้ชี้ทางหรือเราได้นําทางกับเขาเนี่ยบุรุษบุคคลผู้นั้นสั่งสมบุญจนเต็มบริบูรณ์ อการที่เรียกว่าสั่งสมจนเต็มบริบูรณ์เขาเรียกว่าบารมีโดยมีปณิฐานว่าจะาพาคนอื่นพ้นไปจากกองทุกข์เหมือนกับตนแนี่ยเขาเียว่าบารมีไม่ใช่บา ร, ม, ม, บรมีอยู่แถวหน้ารัฐสภ า, าเนี่ยคนมีบารมีเพียบเลยแถวนั้นอันนั้นบารมีแบบไหนอ่ะเหรอ ออันพลบลามีนั่นน่ะไม่กลาเมียเลยครับอาจารย์คอืบเป็นสิ่งที่คนที่ทำบุญนะครับเขาอธิษฐานแต่ไม่มีใครรู้กับใครว่าอธิษฐานอะไรถ้าหากว่าเราไปเจอผู้ที่เขามีเจตนาในการทำบุญและเขาอธิษฐานพุทภูมิผู้ที่รักจะได้รับผลกระทบ ตรงนั้นไมมถ้าหากว่านำในสิ่งที่เขาถวายทานมาแล้วทำบุญมาแล้วเนี่ยไปดำลงหรือเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับกันถวายหมายถึงหมายถึงว่าคนคนผู้นั้นปรารธนาพุทธภูมิทำทานสร้งจิต้งจิตอธิษฐานว่าถวายทานไว้ว่า การให้ทานของเราเป็นไปเพื่อความเป็นพุทธภายในภาคหน้าหรือสําเร็จสมมสัมโพธิญาณในภายภาคหน้าใช่ไหมล่ะแล้วยังไงทีนี้แล้วผู้รับเนี่ยผู้รับผู้รับของทายทานอเอาไปใช้หรือว่าเอาไปเอาไปบริโภคบริโภคไม่สมควรกับสิ่งที่อธิษฐานหรือว่าหรือว่าผู้รับมี สีไม่สมบูรณ์ ด, ด้วยอีกอยาก่างหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้มีผลข้างเคียงมีผลเสียไหครับพระเวสววเวสันดรก็ปรฎถนาโธทิยานแล้วเบิกทรัพ์ในคังหลวงมาแกจกจ่ายแก่คนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นผู้ตั้งแห่งการทำบุญด้วยเป็นชาวบ้านวันนี้พกประเจรคนที่ไม่มีสีมีอะไรเขาก็รับไปไถ้าไม่มีคนพวกนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได<ม>้ให้ทาน บารมีของท่านก็ไม่เต็มเาไม่ม่่มแตว า, าันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ว่าพระองค์ประสงค์จะให้ทานเพื่อสร้างบารมีของพระองค์ไม่เกี่ยวกับผู้รับ<ม>เป็นใครไม่เกี่ยวแม้แต่สัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็ให้ได้เป็นการทาเพื่อเพื่อเหตุของบุคคลทําเท่านั้นใช่เฉพาะบุคคลคนรับเป็นตามกรรมของเขาเขาทำดีเขาก็ไปได้ดีเขาทําไม่ดีก็ไปไม่ได้ดีตามกรรมของเขา คนที่รับนั่นแต่ผู้ปาถนาโพธิยานก็ต่างหากคนละยางกับผู้รับนั่นแะแต่อาศัยบุคคลพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งการให้ไ ม, ไ, ไม่งั้น ก, ก็ไม่ได้ทำอะ่ะไม่ได้สละออกไ ม, ไม่มีปัญหาเรื่องกนนี้แต่มีปัญหาตรงที่ว่าพระภิกษุเราเนี่ยนะ พระภิกษุเราซึ่งได้บวชเข้ามาแล้วนะเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาได้เชื่อว่าเป็นสงสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการให้ทานของชาวบ้านจะเป็นการให้ทานแม้ทานธรรมดาหรือทานของโพธิสัตว์ผู้ปัตตานาความเป็นสมาสัมพุทธญาเนี่ยให้ทานในศาสนาแต่ว่าทานนี้จงเป็นประโยชน์แก่สงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ภิกษุซึ่งเข้ามาบวชในศาสนาไม่ตรักรู้ถึง ว่าทานที่เขาได้ให้ไว้เป็นทานแด่สงสาวกเขาถวายกุฏิก็ถวายแด่สงเขาทําศาราก็ทําสาร า, า, ราเพื่อสงเขาสร้างโบสถ์ก็สร้างโบสถ์เพื่อสงสร้างวิหารก็เพื่อสงสร้างลานวัดอะไรให้มันดูเรียบร้อยก็เพื่อสงทําให้สิ่งอุปโภคเครื่องใช้สอยบ ร, บริโภคที่ใช้สอยก็เพื่อสงแต่ตัวเองไม่ทําตนเองให้เป็นสงภิกษุรูปนั้นก็ถึงขา่าว อะไรวิบัติไปนอนในกุติสงโดยที่ตัวเองไม่ประพฤติตนเองให้เป็นสงคือสองครัว่าสงคือสุปฏิปโนนะสุปฏิปโนเพราะเขาว่าตัวาบกสังโคนี่คือสองสาวกส萨ามาสัสยมุริเจ้าคือผู้มุขดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้ในไปนอนในกุติทึ่งเป็นกุติสงแต่ตัวเองไม่ประพฤติตนให้เป็นสงก็จะเกิดวิบัติพุทธเจ้าบอกวิบัติเพราะไม่เป็นไปนอนในที่ที่ไม่เหมาะแก่การนอน ไปนั่งในที่ที่ไม่เหมาะแก่การนั่งถึงว่าเขาจัดที่นั่งให้สมเด็จพระสังฆราชพระธรรมดาดุมๆไปไม่รู้ไปนั่งอยู่นั่น erm เ่ะเกิดอะไรขึ้นมีบัติเป็นเรื่องแน่อยู่ไม่เป็นสุขแน่พระลูกท่านน่ะมันเขาทำให้เพื่อสงศ์แต่ผู้เขาไปอยู่ไม่ใช่สงศ์นะทาไงอ่ะ ไม่ประพฤติตัวเองเป็นสงฆ์เห็นไหมพระพุทธเจ้านี่ตัดหลักธรรมตรงไปตรงมาเพื่อให้บุคคลผู้เข้าไปอาศัยในศาสนาของพระองค์เนี่เกิดความตระหนักรู้พวะงจึงบอกว่าวิหารทานทั้งหมดเป็นของสงฆ์ไม่ใช่ของบุคคลหากจะสร้างโดยตัวเป็นของบุคคลขึ้นพระพุทธเจ้าก็พูดอีกในพระวินัย ภิกษุปราทานาจะสร้างกุฏิหรือวิหารอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วยความเป็นเจ้าของของตนจะต้องให้สงแสแดงที่ให้ก่อนโน่นจะต้องให้สงลงมติให้ก่อนนะถ้าสงไม่มอบที่ให้ทําไม่ได้แล้วสงจะมอบที่ให้ก็ต้องพี่นะด้วยว่าเราเป็นเหมาะควรแก่การที่จะรับที่ของสงไหมอันนี้อยู่ในข้อสังขารที่เศษเลยนะแต่ถ้าไม่ให้สงแสดงที่ไม่ให้สง ตีขอบเขตให้ว่าควรแสดงที่ควรจะสร้างในตรงนี้แล้วสร้างกติด้วยทรัพย์ของตนหรือด้วยการที่หามาจากคนอื่นแล้วมาสร้างและยึดถือว่าเป็นของตนโดยที่ไม่ให้สงแสดงที่พระเจ้าบอสต้องอาบัตรสัญชาติที่เสรเป็นการต้องที่สงจะต้องลงโทษเป็นการสร้างที่ไม่ถูกต้องต้องทุบทาลายทิ้งเสียและต้องได้ขนาดด้วยแต่ถ้าสร้างเพื่อสง อย่างเช่นชาวบ้านที่สร้างเพื่อสงเนี่ยไม่ต้องมีขนาดแต่ถ้าภิกษุจะทําเองด้วยเป็นสมบัติของตัวเองอันนั้นต้องมีขนาดเท่านี้เท่า น, านี้ห้ามเกินนี้ถ้าเกินนี้อีกพิดอีกนี่เนี่ยที่นั่นจะต้องไม่มีที่การยึดถือครอบครองแม้แต่เป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ก็ไม่ได้ผู้เจ้าวางไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นภิกษุใดก็ตามที่จะสร้างอะไรเป็นสมบัติของตัวเอง คนนั้นจะต้องได้ลงมติจากสงฆ์แต่ยังว่าสงฆ์ทุกวันนี้เนาะคือคณะสงฆ์ทุกวันนี้นะถ้าเป็นพวกเดียวกันเออเอาตรงนี้และได้หมดนะแต่มีอะไรมาให้หน่อยอันนั้นอันนี้มาให้หน่อยนะเขยยไหมล่ะก็ ที่จะเหมือนว่าจะมาปฏิบัติกรรมแล้วก็สร้างอาคารส่วนตัวไว้เพื่อเป็นที่ถวยในเขตสงฆ์ในเขตสงฆ์ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องให้สงฆ์ลงมติใช่แต่ว่าถ้าสร้างแล้วไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นของตัวเองเอ๋อสร้างเพื่อถวายสงฆ์หรือถวายเป็นส่วนกลางได้แท้ที่จริงควรทําอย่างนี้หนึ่งถวายสงฆ์ได้บุญในการถวายสงฆ์แล้วกรณีหนึ่งกรณีอา่าพอถวายสงฆ์แล้วปั๊บสงฆ์รู้อยู่แล้วว่า สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมานี่เพื่อคนสัญจรไปมาหรือเพื่อตัวบุคคลที่จะเข้ามาสู่อาศัยปฏิบัติสงก็มอบที่ตรงนี้นให้เป็นของที่ทั่วไปแก่คนสัญจรไปมาอาศัยอยู่และมาอยู่พักปฏิบัติอันนั้นเราก็จะได้บุญตรงที่หนึ่งถวายสง์ได้บุญและในเรื่องของวิหารทานสองเมื่อสง์มอบให้เป็นของที่ทั่วไปแก่ผู้ประพฤติธรรม ในเพื่อนสัพมพโมาจารีทั้งหลายแล้วก็อนุโมทนาด้วยก็ได้บุญอีกต่อนหนึ่งสองต่อนเพราะมันมีความเข้าใจที่เชื่อเป็นอยู่ตรงที่ว่าสําหรับผู้ที่มีเจตนาที่จารณาตรงเนี้ยแล้วก็ไปยึดว่าพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ห้ามใครเข้าห้ามใครเข้าไม่ส น, น, นั้นอันนั้นไม่มีในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ให้มีพฤติกรรมอย่างนั้นแม้ในหมู่ของภิกษุและในหมู่ของอุบาสกอุบาสิกาเองพวกมิตรบอกให้ เ, เพื่อนสัพพมาจารีเหล่าใดที่ประพฤติโดยชอบที่ยังไม่มาขอจงมาสู่ที่ที่ข้าพุทเจ้าได้สร้างไว้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขเพื่อนสัพพมาจารีใดที่ประพฤติไม่ชอบจงอย่ามามาแล้วจงรีบออกไปอันนี้อันประพฤติไม่ชอบนตั้งใจไว้ได้นะ เอาจิงๆนั่ น, นี่ให้ตั้งใจไว้แก่บุคคลผู้ประพฤติชอ บ, บใช่ผู้ที่สมควผู้ประพฤติมิชอบมาอยู่ ผ, ผู้ประพฤติชอบจงอย่าได้มา <ไป S 1> มาแล้วก็ขอให้ออกไปแต่ไม่ได้ไปไล่เขานะคือแค่ตั้งใจไว้ว่า อ, ออกไปนะออกไปนะมาทําไมแต่แต่ไม่ไปไล่ใครแต่ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะว่ามาอยู่มาอยู่ไม่เหมาะไม่ควรแก่การอยู่นะ ก็ตั้งใจไว้อย่างงั้นจย่องโยมจะเข้าขายนะ อ, อะไรแม่ๆจะเข้าขายกเยโยมตั้งใจว่านักเรียนที่หมือนว่ามาเรียนกับโยมเนี่ยขอให้เป็นเด็กที่เป็นคนที่มีสมาทิฐิคือสามารถสอนธรรมะได้เนี่ยถ้าถ้า ม, มีสมาิฐิลก็ขอไปกลเียกับมาเียนก็ไม่ผิดอัตมายังพูดเลยอัตมายังอธิษฐานเลย <c oughs> คนคนที่เราจะอบรมสั่งสอนได้เป็นสมรรถิฐิที่ยังไม่มาขอให้มาคนที่ คนที่มาอยู่แล้วขอให้อยู่เป็นสุขอย่าได้เป็นอะไรเลยนะคนที่ประพฤติไม่ชอบไม่ดีอย่ามาขอขอร้องเธอว่าอย่ามาถ้ามาแล้วขอให้ไปไกลๆอย่าอยู่ด้วยกันเลยอะไรก็ยังพูดอยู่เหมือนกันเี๋ยวก็วคิดอยู่เอ๊ะจะเป็นร้องไห้หรือจะเป็นจำปนไปไลยเอาไว้โอ้มีเป็น <c oughs> แค่ตั้งใจไว้ <c oughs> เฉย <c oughs> ๆกำหนดใจไว้ <c oughs> ไม่ได้ก็จริงจริงอะ มันมันประพืชนี้ชอบจะมาทำไมเหรอเนาะมีประโยชน์มีบางมันที่นักที่เขาสร้างแล้วถวายแล้วอะไรอะเขาจะได้ยังยึดถือยังยิงว่าล็กคุณเจไว้ิดฉันใช้งานมาพัใครจะมาพักกองขอไม่อยากโทรไปขอไม่อยากเจ้าของติดยังแสดงความเปรนเจ้าของอยู่ เวลาคนเขามาพัาคนพขาพักอะไรย่างนี้ก็มาคอยจับทิปว่าเขาจะทําอันนั้นทำไม่ทําอันนี้ทำไม่อย่าไปเลยเพาะโอ้เร่องศาสางวะแกกังวกุฏิอาตมาเนี่าบอาตมาบอกพระขึ้นไปอยู่เข้าไปพักพระไม่เป็นใครกล้าเข้าไปพักเกงใจก็ไปเกงใจอะไรก็กุฏิเนาะเกงใจกุฏิว่าเป็นของพระอาจารย์ของอาตมาที่ไหนเราอ่ะ ว่ามีของอยู่มีมีของนี่กัวจะเป็นกรณีเดียวกรณีเดียกวกับที่ปูอัสนะไว้ในภาราฮัลลาดก็มันไม่ได้ใช้สอยอะไรจริงจกมันยังไม่กลัวอะไรตู้กแกวยังไม่กลัวอะไรปวกมันยังไม่กลัวมันยังขึ้นเฉยไปเลยนะไปอาศัยกินอาศัยนอนอยู่นั่นนะ่ะปวกนะ่ะขายายพันธุ์อยู่นั่นเกิดลูกเกิดหลานเต็มไปหมดเลย้ามากลัวอะไรนะก็เข้าไปพักหน่อยจะได้ดูแลทําความสะอาดปวกไม่กล้า ไม่กล้าขึ้นไปกว่าความมิบัตจะมาเยียนเพราะท่านอนุญาตไปแล้ววันนี้โยงมามีมีมีน้องเขาถามว่าพี่กายทำไมต้องไปวันนี้เพรนภาพเมืวานแต่โยงเน้นม่ไ้ติดต่อค่ะดีเพราะอาจารย์ไล่สืบฝากต่อไปเลยว่าบุญเทาวันไหนก็ได้ความดีทำได้ทุกวันทุกเวลา ค น, นติดแตนเมื่อวานันเหนียปล่อยเ น, น, นาะวีเมื่อวานเขาบอกว่าปล่อยพีปล่อยเปดไม่ทํางไปทาอื่นเราทาเฉพาะจจโจนั่นอย่างเงี้ยค่ะใช่โยมเนี่บอกคนพูดอย่าไปทาเลยนะไม่ได้นะญาติพี่ีอะไรเงี้ยไม่ได้ยโยอ๊ยทาบุบันไดมันก็ได้มาเลยรอรอวันรอคืนไต้องทอะไรอันนี้มันเป็นเฉพาะกิจเปดพีปีาศาจญาติพี่บางจาพวกที่ถูกคุมขังไว้มีอยู่ วิณิปาตะที่ถูกกุมขังจะถูกเปิดมาปีละครั้งในเมืองยมโลกเพราะโยมบาลองค์ปัจจุบนันพญายมอง์ปัจจุบันนี้นับถือพระรัตนตรยัยเขาก็รู้เรื่องของพุทธศาสนาอยู่เขาก็เลยกําหนดวันนี้เป็นวันเปิดโอกาสให้พวกนี้ขึ้นมารับบุญใครที่พอจะพ้นจากวิบากกรรมได้ก็พ้นไปได้วยบุญนั้นใครที่พ้นไม่ได้ก็ใช้กันต่อไปแต่ยังน้อยก็ยังได้บุญอยู่ เราก็จะไป่อยอยู่อยยมมท่องท่าจะาหาพี่ไทยเอาวนไม่ได้ปไหนไปล่อยอยูมุวาย้วพี่รัข้าอกเลยท่องท่าจะมาหาทานพิธเอ๋ามากพอสมควรแก่เวลาถึงเวลาแล้วเนาะอ้าวก็ใช้เวลาอธิบายทำในเวลาเช้านี้แต่เพียงเท่านี้เอวัง ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกคนวันนี้ไม่มีใครถามนนี้